บุกทูสี่สิบหกในดิสโกเทกณดเทที่นั่งนี้ว่างไหมครับ to to ผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ สิ่งที่ผมจิญครับคุณคนอองไร คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกครับเงผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ e คุณอยากเต้นรำไหมครับ อีกเดี๋ยวอาจจะไปครับผมเต้นไม่เก่งครับรรรรง่ายมากเลยครั บ, บ, บผมจะแสดงให้คุณดูไ ม, ไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าครับ เงี้ยร่าเฉยเงี้ยกระดิอินอกกรดิคุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับชะกาจินาเงีคโกใช่ครับรอแฟนอยู่อ๋อเนอะนโมโหปริยาเชียร์เลยเขามาแล้วครับตั้มวซาดูอุชปริฮัตซะ